Thank you. ที่สองเมษาสองห้าห้าสามนอะีกคำนี่ทเป็นช่วงใครครวรทำเพราะช่วงเช้าเป็นช่วงที่อากาศบริสุทธิ์กายก็สงบใจก็สงบเวทนาก็สงบเป็นช่วงเช้าเป็นช่วงที่ท่านผู้ ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่าอาศัยความสงบทะ น, นี้เป็นการไข้คนทำจนบรรลุธรรมนุ่งเช้าที่บวชพระพทุทธเจ้าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาก็าอาศัยชงเชา้ากายก็ไม่มีความโกลกระวายขึ้นแส่ก็ได้พักมาทั้งคืนคืนนี้มานอนดึกหน่อย แล้วก็จิตใจก็ไม่ได้ตั้งแต่ตื่นนอนไม่ได้คิดอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ปรุงแต่งอะไรบ้างจําได้ไหมตั้งแต่ลุกขึ้นมาว่าพลิกซ้ายกี่ครั้งพลิกขวากี่ครั้งแล้วนะเหลือซ้ายกี่ครั้งเหลือขวากี่ครั้งก้าวหน้าถอยหลังกี่ครั้งแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาแลซ้ายแลขวา ตาอาปากหายใจพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นธรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเราเห็นธรรมตัวนี้ไหมถ้าเห็นแต่ไม่รู้ก็ยังไม่เห็นชัดถ้ารู้แต่ไม่พิจารณาก็ไม่เห็นชัดถ้าพิจารณาไม่ใคร่ครวนก็ไม่เห็นชัดเห็นไหม แม้แต่คำว่าการเห็นก็ยังมีการรู้การรู้ก็ยังมีการสังเกตการสังเกตก็ยังมีการพิจารณาการพิจารณาก็ยังมีการใครค่ครวญนะอย่งนั้นก็เรื่องของทำมันเกิดตลอดนะมันเกิดตลอดทาภายนอกเวลาเราสวดสรุปสติปัฏฐาน ด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายมันเป็นภายในบ้างอืกายภายกาายยเป็นภในคือกายอย่างไรใหญ่อปองรู้จักไหมกายภายในในช่วงนี้ที่เรานั่งเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยในกายมี อะไรถ้าเราไปรับตานึกก็มีตับไตเสียปวดอันนี้ไม่ใช่กายภายในไม่ใช่แผลสิ่งภายในกายเพราะคนตายไปแล้วมันก็มีตับไตเสียปวดใช่ไหมเขาก็ไม่รู้แต่ขณะนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้ภายในของเราเนี่เย็นรู้ไหมก็รู้เย็นรอน้อนอ่อนแข็งแข็งตึงไวเจ็บปวดขัดยอกอันนี้กายภายในคือมันมีอยู่แต่เรา สัมผัสด้วยในการรู้ด้วนั้นนะการเห็นกายภายนอกคือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาบ้างหงหูบ้างจมกูกเล่นบ้างกายบ้างภายนอกการเคลื่อนไหวมือนี่เป็นสิ่งภายนอกตาเห็นใช่ไหมเสียงที่อาจารย์กำลังพูดนี่ก็เป็นกายภายนอกสัมผัสทีห่หูหมายความว่าอย่างไรนี่ จมูิ่นลินล้นลิ้มรดกายสัมผัสอย่แล้วน้องแข็งในกายภายนอกที่เราความเย็นมันบ้องมากระทบตัวเราเด้วกันมองไม่เห็นความอุ่นที่มากระทบตัวเราก็มองไม่เห็นแต่มันก็เป็นรูปกหนึ่งเรียกวรูปละเอียดเวลาอุ่นหารูปอานี่คือเห็นทำไหมเป็นธรรมะนี่ทำภายในทำภายนอกเห็นไหมแต่เราชอบดูมันไม่ทําแบบนี้รัตนา มันถึงทุกข์ไงน เ, นเราไ ม, มีอยู่แต่เราไปดูทำภายในล้วก็ต่อไปว่าเป็นผู้มีปกติพิจรารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้ทําอะไรที่มันเป็นเป็นเหตุเกิดในกายเราเกิดกายมาพเพราะอะไรกายเราเกิดมาได้พเพราะอะไร แล้วกายที่เราเกิดอยู่ได้ขณะ น, นี้ก็ได้เพราะเราก็ต้องเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกายเราเกิดมาได้ก็เพราะเพรามีการกระทบแล้วเราก็เห็นธรรมที่เกิดขึ้นขณะ น, น, นี้หนาวรู้สึกพอใจไหมร้อนรู้สึกพอใจไหมปวดรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ นี่ยทามันเกิดแล้วเนี่ยหรือเฉยๆอบอุ่นรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยๆเป็นทํามไหมอันนี้ทํามไหมมีไหมของในนี้มีไหมถ้าถาม อ, อ, อย่าป้องอย่าป้องเขาอาจจะบอกไม่ถูกขนนันเนี่ยนั่งสร้างเกียร์ไหวนี่นั่งมาเป็นชั่วโมงเนี่ยปวดแข้งปวดขาเนี่ยพอใจไหมอืมต้องมีแล้วใช่ไหมไม่มากก็น้อยแล้วเห็นมันม้ยความพอใจไม่พอใจตอนนี้ นี่ยนี่คือทำมันเกิดอ่ะนะเกิดทางความอารมณ์นะเกิดบางทีเกิดทางอารมณ์ยังไม่พอนะเกิดทางความคิดด้วยนะนี่เราก็ทำมานานนะไม่รู้จะทำไปถึงไหนมันจะรู้เนี่ยมันก็คิดแล้วเนี่ยเห็นทำป่ะหายนอกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราคิดก็ดีที่เรามนมีอยู่ขนาดนี้ก็ดีเนะี่ยความเย็ยนร้อนอ่อนแก็งแก็ตึงก็ดี ความพอใจไม่พอใจก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ได้ไหมมันก็ดับไปแล้วใช่ไหมเห็นการดับมันด้วยวิยะธรรมานุปสีวากายสมิงมิหาติเห็นธรรมอันเป็นเหตุ ด, ดับไปในกายนี้บ้างดับไปทั้งรูกทั้งน้ำแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกดับไปอีกเกิดขึ้นมาอีกเห็นมันไหมเห็นธรรมแล้วเนี่ย ทำภายนอกทำภายในถ้าเห็นทำทั้งภายนอกภายในถ้าเห็นเหตุเกิดทุกข์ทั้งภายนอกและภายในเนี่ยที่เราต้องยักย้ายเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายเรียบทเนี่ยมันมันทุกข์ใช่ไห ม, มเห็นมันไห ม, มในการเปลี่ยนอ่านปว ด, ปว ด, ปวดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกหลายรอบแล้วมันก็ยังปวดอยู่เห็นมันไห ม, ม, ม, มเห็นมไม่เห็นใดเห็นแล้วก็ต้องเห็น<ม><ม> แล้วก็ต้องรู้รู้แล้วก็ต้องสังเกตสังเกตแล้วก็พิจารณาพิจารณาแล้วไข่ครวนนั่นก็เร็วเห็นครบทวนแต่ว่าการยักย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมีครบไหยทั้งสีห้าอย่างนี้ที่ว่ามาเนะี่ยถ้ามันไม่ครบนะถ้าเป็นการกรองน้ำอนะก็ก็เรียกว่าสมมติกรองมันห้าชั้นน้ําถึงออกมาจะใสนะในกรองแค่ชั้นเดียวนะเนี่ยไปยังยังขุน่นเลย สองชั้นก็ยังขุนสามชั้นก็สี่ชั้นคุนห้าชั้นคุณน้อยหรือไม่ขุนเลยอันนี้กหอนไอกรองความรู้สึกที่กรองตัวรู้ตัวเห็นตัวอะไรที่ให้มันเป็นออกมาใสใสเนี่ยอืหยิบจับนี่จะมือออกไปรู้ไหมใหญ่รัตนานาเนี่ยอย่าอย่าให้มันไปโดยที่ไม่รู้ไม่เห็นดิไป ขนาดพูดอยู่ยังไม่ใครโครนเลยนะียแล้วจะเอาอะไรนี่เราใครโครนทาร่วมกันนะไม่ใช่มามานังพูดในสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นบางทีมันเสียเวลานะการใช้ซั์ใช้แสงใช้บาลีใช้ปริยตัตนอกตัวมากมายนะี่เอามาไม่ค่อยเอาแล้วีนะี้มันเสียเวลาเขาพูดไว้น้ำตลาล่าตำรายเยอะแล้วนะกองเต็วมวันเต็มมืองนินพวกนักอ่านทั้งหลายมันก็บรรู้ทำงานหมดเลย แต่เรากําลังใข้ควรสภาวะธรรมที่กําลังเกิดขึ้นขนาดนี้อามาเองเป็นคนที่ลูกหลิกวกแวกไปไ้ง่ายเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ขน้อยลงนะโอ้แต่ควรจะจัดการเหมือนได้ไม่ใช่ไงบางครั้งอามาก็ลองนั่งนิ่งๆอยูน่นั่งได้ไม่นานนะเดี๋ยวขยับนุ่นขยับนี่บางครั้งเราก็ด่าตัวเองเอ๊ะแกจะนั่งอยู่เฉยๆนานๆไม่ได้แต่ทําไมลูกหลิกขยับนุ่นขยับนี่บอกมันทุกเมือนอาทุกรู้ว่าทุก เราเคลื่อนไหวแบบไหนไงมันมันทุกข์แล้วก็แก้ไขทุกข์แล้วก็ได้ปัญญาด้วยได้สติด้วยเนะี่ยมันก็เริ่มนะเริฝึกว่าสนุกนะการปฏิบาาัติธรรมนี่สนุกจริงๆเพราะมันได้มันได้ฝึกตัวเองแต่ฝึกคนอื่นเดี๋ยวเขาดานะข่าเนี่ยเดี๋ยวเขาบ่นนะแต่ฝึกตัวเองนี่มันบ่ไม่ได้โบราณแล้วยเราตัดานจุดตัตาดทางจุดปากมันโบราณนอืม ไม่ชี่หนาวไปไงรู้สึกไม่สบายใช่ไหมเป็นวัดด้วยวหรือเปล่าตอนเช้าๆแค้เราใครครวนมันมัางหรู้เปล่าเวลนเกิดขึ้นหรือไปกับมันหมดเลยอืถ้าเราไม่เอาอันนี้เราจะไปเอาไหนปฏิบัติธรรมนะถ้าเราไม่เริ่มณจุดนี้เราจะเริ่มจุดไหนเราให้ร้อยครูบาอาจารย์ก็มา สอนให้เรารู้ไม่ได้นอกจากตัวเราสอนเราเองต่อให้ผู้ธเจ้ามานั่งสอนตรงนี้ก็ไม่ได้แร้วก็ยิ่งปฏิบัตินานๆนะยิ่งจะเห็นความจริงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพูดอีกครั้งหนึ่งคำว่ากายภายนอกกับกายภายในนะกายภายในก็ดีกายภายนอกก็ดีกายทั้งภายในกับภายนอกก็ดี มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรนะกายทั้งภายนอกภายในเป็นเหนให้เกิดทุกข์เพราะมันอยู่ในอำนาจของใจรักใช่ไหมเราไม่อยากให้มันทุกข์มันก็ทุกข์อะเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงม เพราะมันเป็นไตรลักษณ์คือมันเป็นของมันอย่างนั้นทีนี้ในส่วนที่เราจะให้มันเป็นธรรมนี่นะทำยมง ไ, ไม่ให้มันเป็ น, นจริงทุกขังหน้าตาบอกว่าท่านบอกว่ากายนี้มีอยู่ของเธอนี้่ามีสติเป็นเพียงเพื่อให้เป็นที่ตั้งของการรู้ ที่เรวดอิติ迦โยติว่าปนะสัตติปัจจุปฏตถีต า, ต า, า, า, ตตาโหติมีสติระลึกเพื่อให้เป็นตั้งยะยานามัตยะอนะเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศาัยระลึกการเคลื่อนการไว้การเจยบการปวดนี่นะถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าไปเอาไปเป็นที่ตั้งของการรู้ไม่เอาเป็นที่ตั้งของการระลึกนี่นะมันก็จะต้อง เป็นเวตามกฎของไตรลักอีล่ะแล้วอันนี้จังทุกครั้งแนต่ตาแต่กายเนี่ยมันต้องเป็นเวตามกฎนั่นนั่นแล้วมันต้องเป็นนิจังขันแต่ใช้ใจเนจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่เอากายเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งของการระลึกเป็นที่ตั้งของการรู้มันก็เป็นเวตามกายนั่นแหละใจคือมันจะต้องทุกต้องเปลี่ยนแปลงต้อง ไปหมดไปสิ้นไปเกิดใหม่เคลื่อนไหวใหม่ปวดใหม่เค็ดยาบใหม่หมหมยอ่อใหม่เวียนอยู่อย่งังไงหละไม่จบไม่สิ้นทีนี้เมื่อเราได้สดับสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกเอาไอ้ตัวที่มันเป็นใจลักนี่แหละมามาทําไงมาเป็นที่ตั้งของการรู้เป็นที่ตั้งของการพิจารณาเป็นที่ตั้งของการสังเกตเป็นที่ตั้งของการ ใกครวนแล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงใจลักเนี่ยให้เป็นอะไรให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกนะดยการทําว่าเป็นเพียงเพื่อรู้เพื่ออาศัยระลึกเนะี่ยท่านบอกว่าตัณหาและทิฏ ฐ, ฐิจะไม่เกิดในนั้นน่ะ ปัญหาและทิ่ที่จะไม่เกิดไม่เชื่อลองดูงก็ได้ว่าไว้สรุปไว้แทบทุกแห่งเนี่ยนะแทบทุกแห่งท่านบอกว่ายานามัตายะเป็นที่ตั้งเพื่อรู้เพื่ออาศัยในลึกตัญหาและทีจอาศัยไม่ได้นะแล้วก็อุปท า, านก็เกิดขึ้นไม่ได้แค่นั้นเองนะ ท, ที่เราจะเปลี่ยนได้ ถ้าทำอย่างนี้ตันหาทิฏฐิอาศัยไม่ได้ฮัลโหลว่าปฏิสติมัตยะอันนี้สิโตจ้าวิหะดติน่าจะ ก, กิจิโรกิอุปทิยติัสรุปไว้ทุกบทเลยน่าจะ ก, กิจิโรกิอุปทิยติอะไรอะไรในโลกนี้ไม่ยึดมั่นอะไรคือหมายของไม่มีอุปทานไม่ยึดมั่นตัวเราอ่าอะไรเกิดขึ้นก็นไม่ยึดมั่นไม่ยึดเอ้ขากูปวดนี่มันเป็นยังไงบ้า ง, างถ้าเราไป อ่ายิบว่ามันเป็นขาเราแสดงว่าเรามีสติไหมนีม่มีล้วนะแต่ว่าที่มันกําลังปวดขาเนี่ยมันไม่ใช่ขามันเป็นอะไรที่มันกําลังปวดเนี่ยมันไม่ใช่ขาแต่มันเป็นอะไรอะไรตัณหามันเป็นอันนี้จังเนะี่ยพูดอยู่ยก แสดงว่าไม่ได้คล้ายคลุนเลยมันเป็นอันนี้จังวันนึงเกิดทุกข์ขังคือปวดขาไงอ่าแล้วปวดขาเนี่ยมันดีไหมไม่ดีห่อไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาพึ่งไม่ได้ที่มันไม่ดีเพราะมันพึ่งไม่ได้อ่าพึ่งไม่ได้ขาเนี่ยพึ่งไม่ได้นะจะให้มันนั่งตรงนี้สักชั่วโมงไม่เอาด้วยนะต้องตัดมันทิ้งเลพระอาจารย์อันนั้เขาเรื่องไม่ฉลาดอ่าอันพี่ไม่ฉลาด แต่ต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนทุกขังอันนี้จังนาตานีเปลี่นมันเป็นธรรมซะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นศีลเอาเปลี่ยนได้ยังไงก็รู้สึกตัวในการเปลี่ยนยังไงพอรู้สึกในการเปลี่ยนเป็นศีลแล้วตั้งใจในการเปลี่ยนทุกครั้งเป็นอะไรเป็นสมาธิและใช่ไหมแล้วก็ความสบายเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นปัญญาเป็นธรรมไหมเป็นจากนาตาเนี่ยเป็นปัญญาเห็นไหม จากอันนี้จะเงินศีลจากทุกขงกังเป็นสมาธิจากอนัตตาเนี่ยเป็นปัญญาใช่ไหเนี่คล้ายคลุ้นอย่างนี้มันถึงจะเปลี่ยนได้อันนี้ไม่รู้ว่ากูปวดมื่อยกูฟลิกเปลี่ยนเพรนั้นแพลบแผลบแผลบเราไม่ได้พิจารณาอะไรหมดเลยแล้วก็สีสันรื่อมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเออพลิกเปลี่ยนไปเพี่ยนมางู ง, งี้แลี้ยงคานพ่อพูดอะไรก็ไามาลูกน่ะ ม่วอย่าตายเช้าก็พูดอย่างนี้เย็นก็พูดอย่างนี้พูดใดพูดดีพูดไปทำไมมาคาก็านะําคานณาธรรมะอารมณ์ใช่ไหมใครจะมาพูดดีขนาดไหนมันก็งุนยินหมดเลยเห็น ไ, ไหมอันนี้ยังทุกขังหน้าตาทางกายมันไม่เกิดแด่กายเราใช่ไหมมันไม่เกิดกับใจด้วยแล้วทีเนี้ยนั่นแหละมันเป็นทุกขังแล้วคิดอย่างงั้นแล้วความคิดอันนั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้พ้นเป็นเลยเป็นหน้าตาแต่ถ้ามันมี สติเข้าไปอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจใช้ได้เป็นธรรมมาก็เป็นปัญญาปัญญาก็ทําเป็นอันเดียวกันเนี่ยง่ายๆนะแต่ทําไมมันยากเพราะเราไม่ฝึกฝนอย่างสมมุติโยมเห็นข้อเล่นโยคะเนี่ยโอ้ฟิกฟิลดีเหลือเกินถามว่ายากไหมเราทําไม่ได้อะไม่ยากแต่เราจะทําอย่างนั้นได้ไม่ได้ ฝึกวนบ่อยๆดิใช่ไหมวันละหครั้งสิบครั้งวันละสิบหุนยี่สิบหนไปดิอย่าดีอยู่นั้นก็ได้แล้วเราจะไปอาชาจรคนอื่นเลยนะอย่าไปอาชาจรโอ้ทาไมพุทธเจ้าท่านยอดเยี่ยมงี้ยเงี้ยพระอรหันต์ทั้งหลายยอดเยี่ยมเงี้ยทำไมครูอาจารย์อดเยี่ยมก็พัฒน์ฝึกอ่ะทําตลอดเวลาทําทุกลงหายใจไม่เป็นให้มันรู้ไปสิถ้าเราทําได้อย่างนั้นแต่ถามว่าทําไมเราไม่ทำนี่นี่คือปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งไม่มีศรัทธา ที่จะทำอะสองก็คือเรายังไม่เกิดความไฟไม่เกิดความบันดาลใจไม่เกิดฉันทาไม่เกิดวิทยะเมื่อไม่เกิดศรัทธาแล้วก็อย่าพูดถึงตัวอื่นเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมาปลุกศรัทธากันเพราะนั่นการที่พระครูบาอาจารย์เทศก็ไม่ใช่ว่าจะให้เกิดปัญญาทุกทุกเรื่องไปนะแต่บางครั้งก็ทําให้เกิดปัญญาาก็เกิดศรัทธาคืออยากจะทําดูบ้างนะ ไอการที่อยากจะทําดูก็นําไปพิพจารณาก็ต้องทําให้เป็นเนี่ยนะทําให้เป็นหลายคนนะทำกรรมฐานกรรมฐานนะกีเลสหมดบ้างไหมทุกหมดบ้างไหมไม่หมดใช่ไหมบางคนทํามาครึ่งค่อนชีวิตก็ยังโกรธอยู่เลยยังหลงยังโกรยังหลงเพราะอะไร ท, ทั้งที่ทำมาเพราะอะไรศรัทธา ก, ก็มีนะความเพียรก็มีนะเขาขาดอะไรเล่านิทานให้ฟังสักเรื่อง เอาใจอย่าปองนะคนแก่ชอบฟังนิทาน <c oughs> มีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งนะมีลูกหลายคนโอ้มีทรัพย์สินเงินทองสร้างบ้านสร้างกรือหากสร้างปราสาทให้ลูกให้หลานอยู่อย่างดีธุรกิจค้าขายอะไรก็ก้าวหน้าดีแต่ว่าช่วงไหนให้ลูกมันทำแทนพ่อไปต่างรัฐต่างประเทศนะี่นะกลับมา ธุรกิปั่นป่วนวุ่นวายขาดทุนยู่ยับเลยไว้ใจไม่ได้แก่ก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้ากูตายไปวันใดวันหนึ่งไอ้ลูกมันจะพายทรัพย์สมบัติของเรามีหลายร้อยล้านและหลายสิบล้านมันจะไปสักเท่าไหร่นั่นเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่น่าไว้ใจลูกเลยแต่ว่าเราก็ต้องตายนี่เราเราต เ, เราแก่แล้วเนี่ยป่วยด้วยเนี่ยจะทําไงถึงลูกมัน มันลงทุนค้าขายลุ่มเหลวแล้วแม้แต่ตอนสุดท้ายมันก็ยังมีทรัพย์พอที่จะเรี่ยงตัวมันได้จะทำไงกก็เลยแอบเอาทองแท่งนี้นะที่แกมีอยู่ในคลังไปซ่อนไว้นะซ่อนไว้แล้วก็ก่อนที่แกจะตายก็กเขียนเขียนในสมัยก่อนเขามีหนังสือประจำตระกูล ใช่ไมคือหมายของว่าเขาก็แต่ละตระ ก, กูลเนี่ยเขาก็จะมีสมุดบันทึกอะ่ะ ใ, ใช่ไหมพี่นายกรรมสมุดบันทึกว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่ในตระ ก, กูลนี่มีญาติพี่น้องเป็นใครเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตมาจากไหนเขาจะเขียนไว้เป็นประจําใช่ไหมในหนังสืองานศพอะ่ะมีลูกกี่คนพี่หลานี่คนเขียนได้หมดอะ่ะแต่ทีนี้หน้าท้ายเนี่ยมันเป็นลายแทงลายแทงนี่อา่าลายแทงนี่เขียนเอาไว้ว่า ข้าพเจ้าได้มอบมรดกก้อนหนึ่งให้ <c oughs> ลูกของข้าพเจ้าและมรดกนี้เมื่อข้าพเจ้าตายไปทรัพสมบัติมันเลยรอหมดสินไปให้ไปขุดเอาทรัพย์คุมนี้ขุดในวันที่สิบขึ้นสิบค่ำ พราพเจ้าเก็บไว้ที่ยอดประสาทแต่ต้องไปวันที่สิบขึ้นสิบคำเวลาสิบนาฬิกาควาจริงหนังสือเล่มนี้เ ข, า, ขาไม่ได้แจกให้ลูกนะเขาเขียนเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้ซ่อนไว้เขาไม่ได้แจกแบบงานศุกร์หรอกอย่างก็อย่างที่แกคาดอะ่ะพอแกตายไปป้าปนี่ก็ปากูและลูกหลานทั้งหลายก็ใช้ใจทรัพย์ยกันสนุกมือทีเดียว ไม่นานนะทรัพย์ลูกเขาโกงไปบางใช้ใจ่ายค่าขายขาดทุนติดหนี้ติดสินกันอุตรุดๆๆลูกห ล, กลานก็ทะรลาะบาแวงขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องกันดุดนที่สุดไม่มีอะไรเหลือก็เลยมาคิดกันว่าเอะพ่อน่าจะมีทรัพย์สินซ่อนไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นในสมัยนั้นไม่มีไม่มีธนาคารใช่ไหม เขาพนนันคนไปคนมาก็ไปเจอหนังสือประจำตระกูลเริ่มเนี้แล้วหน้าไททายเขาไปอ่านนั่นะ เ, เวลาวันที่สิบขึ้นสิบคำก็ออกก็แค่ขึ้นสิบคำเวลาสิบนาฬิกาทรัพย์ข้าพระเจ้าได้ฝัง เ, เก็บไว้ที่ยอดปราสาทยอดมุกเป็นจำนวนทองเท่านั้นเท่านั้นแท่งสองหมุนก็แท่ง ก็พอถึงเวลาวันที่สิบเดือนสิบก็ไปหาช่างมาดีเตรียมไว้พอใกล้จะสิบนาฬิกากลางคืนว่ากี่ทุ่มสี่ทุ่มใช่ไหมสามทุ่มก็เตรียมกันแล้วว่างั้นเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ขนลือกันป้ากดว่ายอดไปสะศบสตร์ลือจุยกรจายหมดไม่มีซับแม้แต่ชิ้นเดียวเอ๊ะอะไร เชื่อถือได้ป่ะลายแทงนี่เอาไม่ทอ้อเอาหนังสือลายแทงเนี่ยไปให้หมออ่านลายแทงอ่านหมอลายแทงอ่านก็ถามว่าแล้วไปทําอะไรบ้างบอกอ๋อไปทําไ ป, ไปลือ้อยอนไปสะอาดทั้งหมดเลยไม่มีรับสนัดอ้าวทําไมพวกแกงงขนัดนี้วเป็นโงงได้ไงมันอ่านไม่ออกใช่ไหมอ้าวกลับไปซ่อมไม่ห่อไปสาสอะไรที่ลือล้อเรื่งมาซ่อมให้ดีแล้วมาบอกวันที่สิบเดือนสิบหน้าแล้วเวลา ให้มาเวลาเก้านาฬิกาสามทุ่มให้มาเขาก็พอถึงเวลานั้นปั๊บเขาก็ไปบอกไปบอกหมอก็มาทีนี้วันที่สิบขึ้นสิบขัามเนี่ยขึ้นสิบขัามเดือนขึ้นสิบขั้มม่เป็นเดือนเต็มหรือยัง<ะ>เดือนก็ครึ่งครึ่งค่อนอ่าเก็บยาเต็มที่นี้เดือนขึ้นดะวนออกใช่ไหม<ะ>ที่อายภาษาไม่อยู่ทางเนี้ยนี่สมมติยอประสาเนะี่ยขึ้นบอกเนี่ยอยาภาสาไปถึงไหน พอถีบมืสิกั บ, บเงาของยาบริษัทชี้ไปตรงนั้นปับเนี่ยแกบอกมากเลยขุดออกไปตรงนี้ขุดไปแค่สองศอกแค่นั้นอ่ะโอ้โหทองคำเหลืองอาลามสองพระอาจารย์สองเงาวาบเลยเอาขึ้นมาก็ส่วนก็ให้ค่าจ้างกับหมออะไรแทงแล้วก็มาแบ่งปันกันอันนี้เขาสอนอะไร นี่คือนิทานโบราณดูเป็นนิทานนะดูมันเม่เซนดีแต่นี่เขาถ้าเปรียบในคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดคือให้ลายแทงกับเราคําสอนพุทธเจ้บาบอกว่าสัพเพสั้งข้าราอานิจจติยะธาปัญญายาปัสสติสัพเพสั้งข้าราทุกคติสัพเพสัมมาอนัตตาตินี่เป็นลายแทงเลยใช่ไหมสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนิจจ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหนืยหนายในสิ่งที่ตนเองเป็นทุกข์ที่ตนเองหลงรักชอบอะไรเนี่ย ย, ย่อมเหนื่อยหนายนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานนี่สูงระอันนี้เป็นลายแทงคําสอนทุกบททุกหมดนั่นคือลายแทงถ้าเราจะทําตามนั้นเลยเนี่ยโดยที่ไม่อาศัยท่านผู้รู้มาเหมือนกับเนไปทําตามนั้นมีไหมที่ใครเหมือนั้นก็ปรันารเด็มบ้านเด็มเมืองเนาะ โดยเฉพาะคุณไทยคนเราเขานี้สถธาเหลือเกินนะศรัทาปฏิบัติกรรมฐ า, านกันทั้งปีอ่านพระตไตรปิฎกเรียนพระตไตรปิฎกจบโย ก, ก้าก็ยิ่งอ่านยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่เป็นเอ๊ะแมันผิดหรือเปล่านะไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ถูกก็เหมือนกับไอ้ลูกเศรษฐีมันไปเรื่อยปราสาทอะนอกจากไม่ได้เงินทองกับประส า, า์ก็พัง้วยนะพอไปพบกับหมอผู้รู้ที่อ่าน ได้หมายถึงว่าเราต้องไปพบกับท่านผู้รู้หรือพบกับครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ผู้เห็นมาแล้วก็จะบอกกับเราแต่มีปริศนาว่าทําไมต้องเป็นวันที่สิบเดือนสิบแล้วเวลาสิบนาฬกาคหมอเขาจะนึกออกไหมอืมเขาพูดเอาไว้มันไม่ใช่นี่มันเป็นคําปริศนานะเขาจะนึกออกไหมว้าทําไมไม่ใช่แสงแสงเดือนแสงอาทิตย์แสงแขงเดือน แสงเดือนมันจะไปจุดตรงที่เขาฝังเอาไว้พอดีทําไมไม่เอาสิบห้าคำเฉลยมันจะได้ชัดเจ น, นเงากระจัดไม่มีอ่ามันเงาไม่มีเราขึ้นมาตรงเลยอ่าทีนี้ก็ถ้าเปรียบมันทําเป็นปิศณธรรมคนที่จะอ่านปิศาณธรรมนี้ออกต้องบําเพ็ญบารมีสิบสามสิบทัดใช่ไหมขึ 10, ม้นสิบเป็นสิบเวีาสิบนาฬิกาสามสิบทัดบารมีสามสิบทัด คนที่จะอ่านอนนี้ออกได้เป็นปิศนาอีกเมื่อท่านผู้รู้มาบอกท่านไม่ได้ยอดประสาทนี่เหมือนลูกเงาของยอดประสาทเนี่ยเหมือนน้ำใช่ไหมแล้วก็แสงที่ขึ้นอันนี้เหมือนสัจธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยมถามเมื่อกี้ว่ามันปลดขาตัดขามันทิ้งเลยเหมือนไอ้คนนึงไปทําอะไรยอดประสาทมันได้ประโยชน์อะไรเปล่านอกก็ได้ประโยชน์ยอดประสาทพังด้วยอ่านี่คือคําตอบนะแมถามนิดเดียวแต่ตอบยาวเลย อืมคุณรู้บทนานก็ไปอย่างนี้ที่ทานเยอะ <c oughs> แต่ก็ไม่ไรสาล่านะเอทําให้เราแจ้งว่าทําไมตาเนี่ยเวลาเห็นแล้วมันเกิดความอยากเอาพวกตาทิ้งจะดีไหม <c oughs> อ่าเข้าไปดื้อยอดไปซาที่นี้และกายของเราเนี่ยไปอิงแอบอิงแอบอิงแอบแหนบกันแล้วเกิดทําเกิดความอุ่นแล้วไปเกิดราค่าโทรศสะทําลายผิวที่มันทิ้งจะดีไหม ลิ้นนี่กินแล้วกินกินอยากกิงเยอะกินทําให้เกิดความโรคตัดลิ้นทิ้งจะดีไหมเนี่ยทําำลายยอดประสาททั้งนั้นน่ะะมันกินเลวมันหมดไม่ได้แต่ที่จะหมดได้เนี่ยคือไม่ต้องมาทําลายตัวนี้มันเป็นไทยลายรูปนามแต่ไปถ้าวันนั้น่ะพระจันทรย์ไม่ขึ้นมันจะเห็นเงาประสาทไห ม, ไมไนั้นหมายความว่าเราจะต้องมาสร้างความรู้สึกตัวคือพระจันทร์ นึกออกไหมนี่เรามาสร้า ง, น ง, นงนเนี่ตัวนี้เพื่อจันทร์นิดนึงถ้าหาพระอจันท์นี่มันไม่ถึงสิบเนี่ยมันจะแสงสว่างมันจะพอไหมเนี่ยบารมีไม่ถึงสิบทัดเนี่ยแสงสว่างปัญญามันจะพอไหมที่จะเห็นไใ้นามตัวนั้นทิมไปชี้ตรงนั้นพอดินไม่เห็นใช่ไมเพราะนั้นอย่าทอเลยบารมีสิบทัดจําได้ใช่ไหมทานศีลนเน่ยครับเอานาปัญญาขันติสุริยะสัจจะเมตตาอธิษฐานอปาุปคลาวนั่นแหะทํา ม, มันไป ตัวนั่นนิดตัวนี้หน่อยไปที่เรามานั่งทำแล้วนั่งมึงทํ า, ทาบรารมีนะไม่ใช่มานั่งทำอันนี้บรารมีสิ่ก็ได้บำเพ็ญไปในตัวเสร็จมาที่นี่ต้องสละอะไรมาได้เ อ, อ่ยมาทานบรารมีใช่ไหมเออ ส, ะสะละบ้านสละเรือนสละค่าอ่าครึ่งบินสะลสะค่ารถสละค่าอยู่ค่ากินสละคิดการงานแทนที่ได้วันเท่านั้นเท่านี้สะละแล้วทานบารมีได้ใช่ไหมมาที่นี่ได้มาค่าสัตรักทรัพประพฤติผิดในการพูดปดเสพสิ่งเสพติดไหม ไม่ได้ทำรักษาศีลนิสัยบา ร, รมีเลยใช่ไมืมเนี่คคาว่าบารมีออกจากบ้านจากเรือนมาเนมรรมี่คําว่าอะไรปัญญาบา ร, รมีเรามาที่นี่เรามาเอาโลคิยะปัญญาโลกุตระปัญญาพูดถึงปัญญานีหถือว่าสิ่งใดก็ตามที่เราคิดออกไปในเรื่องราวต่างๆโดยที่เราไม่รู้ รู้ก็ตามเพื่อแต่ได้คิดออกไปแล้วเป็นโลกิยปัญญาแต่เมื่อใดเรากลับมารู้เนือ้อรู้ตัวเองโดยที่ไม่มีภาพแห่งความคิดเกิดขึ้นเลยเป็นโลกุตระปัญญาเราได้ทำสองอย่างนี้ไหมหมอได้ทำอยู่ใช่ไหม <Okay. S 1> ปัญญาเกิดได้ยังเกิดแต่วันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เป็นป ร, รมัตถ า, ารมีปรมีก็ถึงสามสิบทัศนได้ใช่หมปัญญาปรมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถารมี ปัญญาปารมีขก็ห ม, มาเป็นโลคิยะปัญญาปัญญาอุปปราปรมีก็เป็นทั้งโลคิยะทั้งโลเพราะปัญญาปรมิเป็นโลกุณละฝ่ายเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งทำทำจิตเข้ามาสู่รละลึกในกายมากขึ้นใดก็ถือว่าได้เจริญปรมิตฐาปารามีแล้วแต่ทีนี้มันไม่เคยอยู่เลยเพอ้อแฝบไปเลยเพอ้อแป๊บง่วงแล้วเพอ้อแป๊บคิดแล้วเพอ้อแฝบอ่าขี้เหยียดแล้วมันไม่เคยอยู่เพราะอะไร เพราะเราอยู่กับอานิจังทุกข์ขงหน้าตาด้วยเราก็ต้องเอาตัวมันนั่นแหละเป็นตัวศีลสิสริปัญญาเนี่ยมันต้องว่าคนพวกตัวเดานะเป็นนึกเอาการาชนี่ตัวอย่างเฉยๆทานบาแล้วเนี่ยคือเราต้องมาเข้าใจลายแถงที่พระุทธเจ้าคําทุกคําอ่ะรูปังอันนี้จังลูกไม่เที่ยงรูปังอน้อนนาตาลูกไม่ใช่ตัวตนเอ๊ะมันก็เป็นตัวตนอยู่นีในบอกไมนใช่ตัวตนได้ยังไงเนี่ย เออเห็นหมเห็นแค่โทษๆเนี่ยฮะอาการสามสีสองน่ยมันก็บอกว่ามันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาได้ไงเป็นลายแทงเรือยงัง<ม>เป็นอะไรใช่ไหมคืนไปเชื่อตามนั้นดีคืนไม่เชื่อไอ้ไอ้ไทรับย์อยู่บนยอาาดประสาดินไม่ใช่แล้วเนี่ยมันเป็นอนัตตาตรงอนัตตาคือใช้ไม่สะดวกหน่อยมันก็ปวดหน่อยมันก็มันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการน่ะที่มันเป็นอนัตตา องนาตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ใช่ไหมความหมายหนึ่งใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนนะอานาตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้นั่งทําไปมันปวดขายเงี้ยบังคับมันหายปวดอย่างที่เราคิดเนี่ยไม่ได้นิมิอานาตตาแล้วแน่เป็นลายแทงอืแต่พิจารณานี่คืออานาตามันไม่ใช่ตัวนั่งพิจารณาประเดี๋ยนั่งพิจารณาไปความปวดมันจะหายให้ไหมไม่หาย เพราะมันไม่มีตัวถ้ามัน ม, มีตัวได้หยิบ อ, อกได้อันนี้ไม่มีตัวเป็นห น, น้าตาแล้วก็ไปบังคับปัญหาอย่งางยาวคิดไม่ได้นี่เป็นห น, น้าตาแต่ที่เราจะเอาเอาประโยชน์จากห น, น้าตาตัวนี้ได้ยังไงคุณหมอรู้ว่าเป็นหน้าตาจะเอาประโยชน์จากมันได้ยงไงถ้าเราไม่เอาประโยชน์จากมันมันเสียประโยชน์ใช่ไหมนี <S <s ่เราจะเอาประโยชน์จากมันได้ก็คือขเข้าไปที่จะบอกกุญแจเมื่อกี้เข้าไปรูเข้าไปรู้เข้าไปเห็น ไปสังเกตเข้าไปพิจารณาเข้าไปใครครวญเมื่อรู้ ร, รู้เห็นอาการเป็นอาการของจิตใช่ไหมมันก็ยังไม่หายทำไงเข้าไปกระทำขยับมันหน่อยถ้าขณะที่เริ่มขยับเนี่ ย, ยเห็นเห็นแล้วจะไม่เห็ น, หนก็อย่าเปลี่ยนบ่อยนักสีอนัตตา ม, มันเกิดบ่อยเกินไปมันก็ไม่ไหวมันก็ทุกข์นะ <c oughs> ก็ก็เออค่อก็อย่าไปสนใจมันมากเกินไปก็ปล่อยให้มันปวดใช่้หมเอออย่าไปเออไปกลัวมันมากไม่ได้ต้องดูแให้มันปวดก็ดูมันนะนี่ยดูมันอ่าถ้ามันทำทาไม่ไหวขยับนิดหนึ่งให้มันทําไมมันจึงปวดถามว่าทําไมจึงปวดเพราะมันไม่เที่ยงอ่าที่มันปวดเพราะมันไม่ไม่เที่ยงยังไงเลือดเขาก็เดินลมเขาก็เดินใช่ไหม แต่ทีนี้ไอ้ท่อเลือดท่อลมที่เรานั่งในท่านั้นนะมันมันทับมันตีมันดันหรือไม่ท้าไม่ตีไม่จได้เส้นของเรามันพิการมันเจ็บไวเกินไปมันก็ทําให้ปวดไว้ว่าเขานั่งตั้งนานไม่เคยพิกบางคนพิกตั้งหลายครั้งเส้นของเราไม่เหมือนเดือนบางคนเส้นมันพิการมันช้ามาก่อนมันก็เลยปวดหรือบางคนเส้นไม่เป็นไรก็นั่งได้นานนี่เห็นไหม เพราะทุกขังเพราะมันอนิจจังคือมันเอเราไปบล็อกอะไรมันมันก็เกิดการเละมันก็เกิดการดันกันสู้มันจะมันไปไม่ไหวก็ปวดมันก็นี่แล้วถามว่าทําไมมันจึงเปลี่ยนแปลงก็เพราะมันเป็นไม่มีตัวมันถึงเปลี่ยนถ้ามันมีตัวไม่เปลี่ยนอกเห็นไหมพันกันไปพันกันมาการที่เขาไปพิจารณาเฝ้าดูเฝ้ารูเห็นนี่เรียกว่าเป็นตัวโลกุตระปัญญา แล้วทําให้เยอะด้วยนะปัญญาตัวนี้นะทำในน้อยไม่ได้มันไม่พอใช้ทําให้เยอะทําให้บ่อยๆทําให้ชำนิชำนานอาตมาเองนั้นมีประสบการณ์ตรงที่ว่ารู้ว่าเออเราโง่นะปัญญาไม่ดีนะจะ ท, ทำไงทําให้มันดีอ่ะก็ทํามันบ่อยๆเนี่ใช่ไหมทําเลขข้อนี้ครั้งเดียวก็ผิดสองครั้งก็ผิด ท, ทํากี่ครั้งมันก็ผิดก็ไปหาครูสิใช่ไหมครูบอกก็จำเอาหน่อย จำแล้วก็มาทําำทําถูกบ้างผิดบ้างก็ทํำเรอไปอีกเดี๋ยวมันถูกมากขึ้นทําราอีกเดี๋ยวมันไม่ผิดเลยใช่ไหมการฝึกจิตก็เหมือนกันเราแรกก็ทําถูกบ้างผิดบ้างก็ทําอย่าไปท้อเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาท่านจึงเน้นความเพียรอย่างไงวิธีเยนะทุกขมจิตคนเราจะพ้นทุกปัญหาด้วยความเพียรด้วยความขยันนะเพียรก็หมายความว่าทำสิ่งนั้นบ่อยๆ เ, เ, เขาทำจริงเลยเขต้องทำถูกเลยนะ <c oughs> ถ้าทำไม่ถูกทำบ่อยเท่าไหร่ก็ไม่เป็น่ยนนะอีกนะไา้ฉันตั้งสร้างเยาว่านตงสมาธิมาตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะมันยังไม่หมดอนะ่ะเพราะองงทีมันทำไม่ถูกแล้วนั้นเพี้ยนตอนนั้นต้องใช้คําว่าสัมมาวายามะด้วยมันถึงจะถูกนะเพียนเฉยๆบางทีเพียนมันไม่ไม่ไม่ไมีผลก็มีนะต้องมีสัมมาคือเ พ, เพียนถูกเพียนถูกเพี้ยอย่างไง <c oughs> เคยพูดให้ฟังบ่อยครั้งวิธีจำได้ไหมเพียนถูกคือเพียนยังไงวิชีก็ฟังว่าทั้งนั้นก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> ม่ค่อยใจใสใจใจำมาเ <c oughs> พียนถูกเพียนยังไงเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เผยเด่นที่บ้าให้ฟังฝากไว้ก็ได้กันไม่บอกเดี๋ยวเป็นเรื่องเยอะตอนเยเ็นอาจารย์เผเด่นจะที่บ้าให้ฟังเพียนถูกเพียนยังไงลวงพ่คตอนนี้นี่ <c oughs> <c oughs> เป็นอารมณ์ร่ว ม, มนามอย่างเดียวนี้ไม่พอแล้วใช่ไหมคะต้องต้องเดินความเพียรใช่ไหมคะสมมุติว่าโ<ะ>ยมเดินเดี๋ยวถามก่อนสมมุติเดินไปโยมเดินสมมุติสมัยเด็กๆเราชอบไปเก็บผลไม้นะไปเจอผลมะม้มะม่วงนะ่ะเจอเจอมะม่วงอย่างเดียวพอไหมต้องต้องนไปเก็บแน่อันนี้คือคําตอบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะท่านโยมสื่อที่มาท่านมันโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็ จับที่ลมหายใจนมานะท่านแต่ตอนนี้โยมมันเสียดายว่าทำไมโยมไม่เดินความเพียรตอนนั้นก็เสียดายมันผ่านไปแล้วก็ไปเสียเ ด, ดี๋ยเดี๋ยวรูปนามยังมีอยู่ไหมมีค่ะก็ทํามันต่อเลยดี่ไปเสียดายของนันันผ่านไปแล้วนะท่านแต่เวลาเราดูมันเนี่ยดูโดยที่ไม่ได้ตั้งใจดูมันไม่เหมือนเวลาเราเจตนาจะทำมันออืมันก็ก็เห็นมั น, นะ ยัม่ยังมีความรู้สึกหลายอย่างตอนนั้นนะคะเอาตอนนี้ยังเล่ากันตอนนั้นมันถ่ายมาเราเอาคืนไม่ได้ <c oughs> อย่าไปเสียดาย <c oughs> เอาตอนนี้ <c oughs> ความที่ความรู้สึกที่ขึ้นโดยความรู้ที่มันเกิดไม่ตั้งใจแต่มั น, นเป็นผลแล้วเป็นผลแล้ว <c oughs> ไปบังคับก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ตัวเจตนาเป็นเหตุเป็ น, ปนอันนี้เป็นเหตุต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเรามีหน้าที่ปลูกเหตุใช่ไหมต้นมันก็เป็นเหตุแต่ผลบังคับให้เกิดขึ้นตามต้องการได้ไหม ไม่ได้มันมีความพร้อมเมื่อไหร่มันเกิดเมื่อนั้นไอ้ความรู้ที่เกิดขึ้นเดโมเจนามันเป็นผลมันจะเกิดเมื่อมันพร้อมถ้ามันพร้อมมันก็ไม่เกิดแต่เราหน้าที่ของเราคือทําเหตุตอนที่มันเห็นเรหายใจเห็นความรู้สึกการมันเห็นชาติชาติแต่ยมยังนึกไกใจไอ้ทำไมตอนนั้นยมถึงไม่ไปพิจารณาอ๋อไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมันเอาสมมติเอาละมุโมองตูงนี้เป็นผลสุกเราก็ได้กินแล้วพวกนี้อยากให้มันเกิดดีทันทีนี้ได้ไหม ไม่ได้ให้มันต้องสั่งสมเหตุ <ใน S 1> มันอีกในท่านบอกต้องรู้ต้องใคร้ครวนทำไมเมื่อเช้ายอมถึงไม่มีอันนั้น<ถ>ที่ทพูดถึงรู้เท่าควรสังเกตอันนี้คือเหตุนะมันคือเหตุแต่เมื่ อ, อไหร่มันเกิดพร่งขึ้นมาสบายโปร่งเบาผ่อนคลายนั่นเป็นผลแล้วซึ่งเราไปมาค้าบัญชาไม่ได้เลยเมื่อมีเหตุ ป, ปัจจัยพร้อมเขาก็พรงขึ้นมาเมื่อเหตุ ป, ปัจจัย เคยลราปลูกต้นไม้นะก็วนมาหาเรื่องต้นไม้อยู่ดีนี่นะต้นมะม่วงเนี่ยมีมไหมบางต้นปลูกซีปีมันไม่เป็นลูกเลยเนี่ยบางทีปลูกสามปีมันเป็นลูกแล้วมีเพราะนั้นเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นเนี่ะมันเขาบัญชาไม่ได้นะเออแล้วแต่มันจะแล้วแต่มันจะเป็นนะบางต้นนี่ซื้อมาเป็นยังอยู่ในกระถางอยู่เลยเป็นลูกแล้วใช่ไบางต้นปลูกต้นดูลมควงบ้านท่งนงบ้านเออโคนทิ้งไปเลยไหมนี่เหมือนกันนะธรรมะบางอย่าง เราปฏิบัติตั้งนานมันไม่มีผลเพราะเหตุปัจจัยมันไม่ครบไม่ใช่ทำไมบางอย่างพอทําถูกเหตุปจจัมันเกิดทันทีเลยผลวันนั้ท่านทำไมเราไม่เอาผลนนั้นมาเป็นเหตุอีกล่ะคะอ๋อตรงนี้ท่านบอกมันเป็นอาจินไตจไปชิดไปชิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่มันเป็นไปตามเหตุของมันน่ะนะถ้ามันเป็นอนัตตาถ้าพูดตามให้ถูกมันเป็นอนัตตาบ่งคับบัญชาไม่ได้นี่คือมันมีกฎชัดเจนเลย อ่ามันเป็นนะแต่มคขมบัญชาไม่ได้ทําไมเราจะคือความคิดของเราเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นเรื่องของโลกยะปัญญาแต่ว่าตัวที่มันนอกเหตุเหนือผลเนี่ยมันเป็นโลกุตระปัญญามันจะเป็นมันจะพร้อมเมื่อไหร่เป็นเรื่องของมันมาค้าบัญชาไม่ได้แต่มันจะไม่เป็นก็เป็นเรื่องของมันแต่หน้าที่ของเราที่ทํามาอยู่คือทําที่เหตุพระริจเจ้าท่านถึงสอนสอนที่เหตุพูดถึงเรื่องพระอาชีพบ่อยๆใช่ไหมสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุอ่ะ ถ้าจะทําอะไรให้ไปทําที่เหตุไปจัดการเรื่องผลผลเป็นสิ่งที่ที่เกิดตามเหตุอืมเพราะนั้นธรรมะนี่ก็แปลว่าเหตุนะในสัพปริสธรรมอาจารย์ก็อกัถถัญยุตตาทำมันยุตตาทำมันยุตตาอัถถัญยุตตารูจักเหตุอัถถัญยุตตารูจักผลใช่ไหมรู้จักธรรมะคือรู้จากเหตุไม่ได้ไปรู้จากผลแต่ผลนั้นมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันเหตุมันถูกเราไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้เพราะเหตุมันถูกมันต้องเกิด แต่ถ้าเราเหตุมันไม่ถูกเราอยากให้มันเกิดอะไรมันก็ไม่เกิดอันนั้นหมอบอกไอ้ตอมาที่เกิดทเราจะทําให้มันเกิดตอนนี้อีกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันควรละเหตุกันแต่ตอนมันเหตุตอนนั้นมันถูกตอนนั้นแต่ตอนนี้เหตุมันยังไม่เกิดมันก็จะต้องทําเหตุเรื่อยไปนะโอ้ต้นไม้ต้นนี้ปลูกแล้วปีนี้มันติดอ้าปีตะวันมันไม่ยากติดแฮคนมันทิ้งดีไหมนะ ไม่ได้อีกบางทีปีต่อไปมันติดหน้าที่ของเราก็ดูแลต้นมันเลยไฟใช่ไหมเหมือนกันดอกปีนึงปีอ่าบางปีก็เป็นเยอะนะบางปีก็ไม่เป็นบางทีก็เป็นอ่าบางทีก็เป็นมากปีต่อไปดอกอ่านาะเราบางครั้งให้มันเป็นอย่างที่เวทม่ทำไมปีนี้ไม่ติดเยอะเหมือนปีที่แล้วนะก็ไม่ได้อันนี้คือเหตุที่เป็นเป็นธรรมชาติะเป็นรูปธรรมนะหน้าเมื่อทำก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลย น้ำดำก็เหมือนกันจากนั้นอะ ต, ตมาก็ถึงว่าโอ้ถ้าเราเกิดมาไม่พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะชีวิตของเรานี่ยไรความหมายจริงๆหมดความหมายจริงๆพอมารู้สิ่งนี้แล้วมันทําได้เนี่ยมันมีความหมายตรงนั้นแต่คนที่เยอะแยะที่รู้แล้วทาไม่ได้ก็มีเยอะใช่ไห ม, มไปถามรู้ี่พวกเรียนเออไม่ได้ทําเลยเนี่ยรู้เฉยๆวยพวกเชื่อคุณพวก ประโยชนเก้าทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทํำวิปัสนาไปเรื่องเวลาว <c oughs> อย่างโยมเนี่ยมันไม่ไดีไม่ไดไม่ได้ครึ่งของโยมเนี่ยนะพวกที่เรียนมาเยอะๆเนี่ยแต่เรามีโอกาสวาสนาทั้งนี้ยที่ได้มาทําได้มาลูแล้วเข้าใจได้ส่วนจะมากจะน้อยนี่ขึ้นอยู่กับปัญญาของเราแต่ในที่นี้โลกียปัญญาเนี่ยสะสมมาเยอะแล้วขอให้ทิ้งทิ้งซะมึงอยาก่าให้มึงสังสมโลกอุตลปัญญา ก็คือเนี่ยมาดึงกายกับใจมืออยู่ด้วยกันโลกคุณที่แล้วบรรยาบมันเกิดแล้วไม่ต้องไปแอ่ป้องดูนาฬิกาแสดงว่าเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมไม่สั่งจังหวะไปด้วยมันก็เบื่อใจไปอยู่ที่นาฬิการันไปอยู่ที่คาหานั่นให้อยู่กับตัวเองดีเห็นไหมพูดอยู่แบบแมมันยังไปเลยทำจังหวะทำไปดูแอ่ป้องหนาเยอะๆหรืที่ในตรงถักบ่อยๆนะ อย่างไรบางๆทำซ้ำนึนนกไปถึงซ้ำทำเลยนะครับลองดูลองดูทำดูอย่ไปนึกถึงมันอาหารกินมาตลอดชีวนตมาเดี๋ยวนี้เอามากินยังไงก็ไดนะ้อร่อยที่สุดแล้วก็กินมาแล้วนะไม่อร่อยที่สุดจะไปกินอะไแล้วนะแล้วจะไปกินหาอะไรกับมันเกี่ยวอร่อยไม่อร่อยอีกล่ะไม่เอาแล้วไม่คิดถึงมันแล้วมีก็กินไม่มีก็ไม่กินเท่านั้นต้องกินมาพอแรงแล้วไอ้เรื่องกายเนี่ย ตอนนี้จะมากินอาหารทำมากินอาหารใจให้มากตอนนั้นเพราะอาหารตัว น, นี้มันจะเอาไปได้ตายไปแล้วก็เอาไปได้ไมันก็เดินไดท้องมัม น, นเป็นเรื่องของบุญบารมีของเรานะนะัเนอะบุญบารมีเรา ม, ม, มีอยู่มีกนมินไม่ต้องคิดถึงมันมันก็มาเองทำมาไม่เคยคิดถึงว่าถึงเวลาจะได้กินหรือไม่ได้เคยคิดถึงเวลามันมาเองเพราะเราสร้างบุญมาขนาดนี้มันไม่ได้กินให้มันรู้ว่าเดีอยวอยู่ให้มันลำบากเลยใช่ไหมเออบุญบารมีเป <To S 2> ็นใหญ่ครับโชว์รารมีแปลงอะไรเนี้ยท่านจา ถ้าเราบอกอ้าถ้าบนของเราเราได้ท่านว่าเราไม่ประมาไปเลยค่ะเราจะไม่อินทิเกรตไม่ analyze, อนเไลน์ไอความเป็นไปได้ในทางทางโลกิยะบ้างเลยค่ะหรือว่าจะปล่อยให้ถ้าเป็นของชั้นชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามอยู่หมอันหมอหาเงินมาตลอดชีวิตเนี่ยถึงเวลานี้เนี่ยหมอคิดจะหาเงินวิตุกังวลเรื่องเงินอีกไหมไม่แล้วค่ะทำไม มันมีอยู่แล้วอ่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันแต่ก็ยังต้องแมเน็สิ่งที่เราอ๋อใช่มันก็ไม่ได้ไปหนักหนาเหมือนกันที่เราหามาจะแมนเน็ตเท่านั้นอันนี้ก็ทําแล้วก็ทําแต่ที่พูดนี้ให้เห็นตัวอย่างว่ามันมีอยู่แล้วคือเราทํานิดหน่อยมันก็เป็นไปเองไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรตามยถากรรมไม่ใช่เราก็แมนเน็ตมันแต่ว่าเราไม่ได้ขวนขวายอะไร มากมายในส่วนที่เป็นภายนอกเพราะเราจัดการมาตลอดชีวิตแล้วทางานมาตลอดชีวิตแล้วในในส่วนของโยมหนระือเป็นทรัพย์สินเงินทองทำงานมาตลอดชีวิตมีอยู่ในธนาคารเท่าไหร่แล้วรู้แก่ใจตัวเลขเท่าไหร่นึกถึงตัวเลขก็คืออุ่นใจแล้วจะเอาอะไรล่ะมานั่งทําอย่างนี้ไม่ต้องไปแมนดแต่เขาแมนดแทนหมดเวลาเรามีแพลนอะไรท่าควรจะพอเราคิดเอ๊ะนี่มันนามรูปนี่ตัดตัดอืแล้ว จะตัดจนกทั่งปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามด็มบุญกรรมเลย <laughs> <c oughs> คืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าความคิดเกิดขึ้นมาแล้วเราแมเน g ความคิดนั้นเป็นโลคุตระปัญญาแต่ความคิดนั้นเกิดขึ้นมาความปรุงแต่งเรา m a เน g ไม่เป็นหรือไม่แม n a g e มันเป็นโลเกียปัญญาเพราะฉะนั้นตัวรู้ที่เข้าไปจัดการที่เป็น manage ดังนั้นต่างหากที่เป็นตัวจัดการโลคุตระไม่ได้หมายถึงว่า เกิดแล้วมันตัดก็มันแตไม่ใช่ไอการที่เข้าไปรู้นั่นแหละมันเป็นแล้วแต่รู้แล้วจัดการมันอย่างไรมันก็ยังอยู่ในโลกุูดโลกรูะลอยู่จะต้องให้เวลามันได้ใช่แต่ขอให้มันอยู่ในรูปในนามเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้มันไปออกไปอธินาโคตก็ถือว่าเป็นโลโลกุูดตะลทั้งนั้นแหลนะแต่ว่าที่บอกว่าตัดคือหมายถึงว่าในส่วนที่มันไม่เจตนา ส่วนที่เป็นสังขารส่วนที่เป็นอวิชชาดันหาบุทานไงแต่ถ้าเป็นศีลสัมผัสิปรรัญญาเราต้องเมนเนตนะไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นเองนะใช่ไหมแต่ในส่วนที่เป็นอวิชชาดันหาบุทานเราก็ต้องเอาเออกไปเพราะมันเป็นตัวที่จะทําให้ตัวเมเนตของเรานะั้นมีปัญหานะตัว น, นี้ที่เข้าใจให้ถูกะ น, นั้นจะเห็นว่าการปฏิบัติที่เราศึกษามาเนี่ยขอให้เรา ทำด้วยความไม่ลังเลไม่สงสัยแค่นั้นนะพอแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่บางครั้งก็เป็นธรรมดาที่เรายังขาดความชนิดชำนาญ น, นั้นการรู้ทำเห็นทำในขั้นลูกน้าให้มันรู้ให้มันเห็นบ่อยๆนะนั่งปฏิบัติแต่ละครั้งให้มันได้อารมณ์ลูกน้ำไปเลยคือหมายความว่าดักใจกลับเข้ามาสู่ปัจจุบันก็เป็นอารมณ์ลูกน้ำดัก พราะว่าหลงลุ่มน้าอยู่กับกายกับใจกายใจผ่อนคลายก็เกิดพุ่งขึ้นมาโปร่งเบาสบายเห็นไหมแต่ถ้าเมาื่อใดจิตนี้ใจนี้ออกไปจากลูกเจ้านาเกิดการชั ก, กเยื่อะละภาวะตึงภาวะไม่สบายของกายบางคนได้หลงลุ่มน้ำนั่งท่าเดียวได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโม ง, งไม่เปลี่ยนก็มีนะเพราะอะไรมันเกิดการผ่อนคลายนะ าสายาแพทย์ก็บอเออเนี่ยสารอิโดโฟินมันหลังแล้วนะทาให้มันเกิดการหยุดยิบทาให้หายปวดหายเมื่อยแต่คนจริงก็คือกดแห่งการผ่อนคลาย น, ะนั่นเองะสมมุติว่าจิจของเราเนะี่ยถูกดึงไปสมมุติอย่า ง, างนี้นะดึงไปนี้เป็นสมมติเป็นอดีตดึงนี้สมมุติเอนาคตนะถ้ามันคิดปับนะ๊บเนี่ยไอสองตัวเนี่ย ต, ตึงๆอย่างนี้ละไม่รู้ว่าคิดแต่พอพอมันพอมันรู้ตัวปับ๊บมันหย่อนละ ไม่ตึงแล้วใช่ไหมดังนั้นในช่วงไหนที่เราปฏิบัติร่างกายเขาเรายังตึงยังเครียดยังปวดมากมากลึกๆแล้วเรากําลังเป็นอย่างนี้จีตใจของเราสวิงซ้ายสวิงขวาสวิงไปสวิงมาอย่างเนี้ยมันถึงเกิดก่อเกิดการตึงเมื่อตึงแล้วก็สารไอตัวอะดรีนาลีนมันก็หลังหลังก็ไปทําให้เกิดเป็นกดเป็นอะไรต่อไอ้ที่ทําให้เกิดการปวดตรงนั้น่ะแต่พอพอเราผ่อนคลายมันย่อน อ่าอิเดียฟิลหลังอิเดียฟิลมันก็เป็นเข้าไปเยียวยาต่อนั่นโดยที่ที่ร่างกายของเราถึงไม่จะบดแก้อาตจนนั้นมันก็ไม่ปวดแนะเพราะอะไรเพราะสารนั้นมันพอนคลายพอนคลายก็เหมือนท่อท่อมันหย่อนแล้วมันก็โปร่งใช่ไหมเดี๋ยวพอมันดึงเงี้ยมันก็ตีบมันก็เอาท่อกลวงมาดึงอยู่ทโยมว่าไอเส้นยางที่มันกลวงนะพอดึงปั๊บมันตีบใช่ไหมพอผลปั๊บมันก็ก็ลงนึงภาพออกไหมอันเดียวกัน ไอ้ทําไมบางคนก็นั่งไปนานๆแล้วุณผ่อนสบายไม่เปลี่ยนเลยนะนี่โอ้ชันรู้ทำเห็นทำแล้วเนี่ยทําให้สบายอันนั้นคือเรื่องเปนกฎของธรรมชาติเราจะเป็นถูกมันหลอกไม่ได้กฎของธรรมชาติแต่หน้าที่ของเราคือทําเหตุให้มันเกิดการผ่อนคลายไม่ให้จิตของเราดึงกายไม่ให้จิตของเราดึงจิตของเราไม่ให้มันดึงไอ้ความคิดออกไปข้างนอกนะผ่อนอยู่เนี่ยซึ่งมันสบายเยอะนะ แต่เนื่องจากว่าเราไม่มั่นใจไงว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวมักตัวผลเราไปทำอะไรเพราะว่าที่เราได้ยินมาคนที่บรรลุทมเห็นมักเห็นผลเราต้องมีคุณวิเศษอย่างนู้นอย่างนี้มีวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสีมีแสดงฤทธิ์ได้มีอะไรได้ไปนู่นเลยมันก็สับสนดิเอ๊ะทำไมฉันก็ปฏิบัติอยู่ทาไมฉันไม่รู้อย่างนั้นบ้างอะ นี่คือความสับสนสงสัยใช่ไหมไอความสบายๆเฉพาะหน้ากับมองไม่เห็นความสําคัญของมันกลับไปเห็นว่าเออท่านมออีวิชาสามก็ดีนะท่านมีหูทิพตาทิพก็ดีนะท่านมีฤทธบัณฑ์ก็ดีนะไปนน่นเลยนี่คือคือข้อสงสัยทําให้เราสงสัยเราหลวงพ่อองค์นั้นออหอบเฮิร์ดเดิอนอาการได้หลวงพ่อองอคง์นี้คาถาคลั่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อองค์นั้นอาวาจา่าศี์หลวงพ่อไปเอาคุณวิเศษนั้นมา ว่าไอ้ทาไมเราไม่เกิดอย่างนั้นบ้ง น, นี่คือความสับสนความเข้าใจผิดในพุทธธรรมเริ่มจึงออกมาเป็นอย่างนี้ไอเรามานั่งเราไม่เกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะให้นั่งเสียเวลาไ ม, ไม่ได้อะไรนี่ทั้งที่มันได้ความสบายต้งเยอะนะแต่เรามองไม่เห็นนะเพราะนั้นให้จิตของเราเนี่ยได้สัมผัสกับความผ่อนคลายความสบายบ่อยๆแค่นั้นพอแล้วมันจะรู้อะไรไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการ คุณวิเศษต่างๆไม่ต้องไปสนใจถ้าเรามีบุญบา ร, รมีที่ได้สั่งสมมามันจะเป็นของมันเองโดยที่ไม่ต้องปรารถนาแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญบารมีเพื่อเกิดสิ่งนั้นเนี่ยต่อให้ปรารถนาไปจนตายก็ไม่เกิดทำไปจนตายก็ไม่เกิดเพราะไม่ใช่ของเราในสิ่งที่เป็นคุณสบรรมบัติต่างๆเราก็ไม่ได้เจตนาหรอกนะว่าเราเคยเจตนาว่าเออเวลาบรรลุธรรมชาติใดก็ดีขอให้กบิเจ้ามีญาณสามอ ภ, อภิอภิญญา หกปฏิสัมพันธ์สีแล้วก็ ม, มีแต่ว่าเราทําด้วยความไม่รู้บางทียอย่างท่านพระ อ, อาจารย์โมคลานะเนี่ใช่ไหมทำไมพอบรรลุธรรมแล้วท่านบอกมีฤทธิ์มากสมัยก่อนถ้าเกิดมีศรัทธาเนี่ยบำเพ็ญตนเป็นพระฤทธีลมัไม่รู้กี่พวิชาติะทำหรือคิดว่าอันนั้นอ่ะจะเป็นทําให้ท่านพ้นทุกข์ใช่ไหมท่านก็บำเพ็ญให้จิตสงบเป็นฤทธีก็บรรลุธรรมไม่ได้เพราะไม่ถูก แต่ว่ามันก็เป็นสมบัติประจําตัวมาเพราะท่านมาบารรลุธรรมในชาตินี้ปับ๊บไอสมาธิจิตในสมัย ท, ที่ท่านบำทนเป็นเป็นฤาษีโดยไม่ตั้งใจนะกลับมาเป็นผลและทําให้ท่านเกิดมีริบมีเด่นั้นนั่นเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นอันนี้มาก่อนนะแต่มันเป็นผลพวงที่เกิดมาจากทําอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําไม่ได้ทําอย่างนั้นมาไอผลอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ทํามาให้ดีใจว่าเราไม่ต้องไปวิบากกับมันคนมีริบมีเดน่เดน ม, มากๆหวงังว่าจะสบายไหม ไม่ได้สบายคนลบคนทั้งมีทั้งวันมันสบายที่ไหนอ่ะคนมหาเทวะมาหลบแล้วหลบอีกมันยังเจออีกอย่างเงี้ยดังนั้นบางท่านท่านก็ปรารถนาเป็นพระเจดประเจดกุฎิเจ้ารู้แต่เรื่องดับทุกข์อย่างเดียวกระเพาะแลไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นเลยมันจะได้ไม่ยุง่งนะดังนั้นศึกษาเรื่องความผ่อนคลายความสบายอันเป็นเหตุขึ้นการให้ทุกข์มันดับได้โดยง่ายจะไปปรารถนาอะไร ความทุสบายแล้วก็สร้างด้วยมือของตัวเองเนี่ยแม้มันปวดตรงนี้ก็พลิกเนะี่ยความสบายก็เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ยากอะไรนี่เห็นไหมนี่พูดถึงทางกายนะทั้งจิตแหละจะให้มันสบายอย่างกายทําไงก็อย่าไปกดก็บอกแล้วว่าให้ใ ห, ให้ให้มาอยู่กับปัจจุบันสิแต่คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ปับ๊บเป็นอดีตเป็นอ น, นาคตแล้วเอ้อาหารวันนี้เป็นไงนาะแซบหรือเปล่าเนาะได้เวลาแล้วยังเนาะไปอดีตอ น, นาคตแล้วใช่ไหม ลืมลืมตรงนี้แหละมันก็ต่อจากเรื่องนั้นไปเรื่องนู้นเอออาหารนี่จะทำอย่างนี้วันนูเช้านี่จะทําวันนี้แล้วไปมันแช่แข็งเอาไปได้ง่ายที่สุดเลยถ้าหากว่าเราไม่ไม่ชัดเจนแต่ปัจจุบันจริงๆ <c oughs> แคแ่ตลกเ <c oughs> ลยแค่ต่ลอกเลย <c oughs> คิดเมนูอ้อฝันเอาไว้นะฉะนั้นอย่า <c oughs> อย่าลืมนะอย่าลืมทีเดียวการปฏิบัติแต่ละวันนะั้นนะมีความหมายมากอย่าทําแบบ เป็นเล่นด้ทำแบบแต่คอนเนตเอกันก็อย่าทําแบบจริงๆจริงจังจนกระทั่งมันเครียดมันถึงมันไม่สบายคืออย่าไปเอาเล่นและอย่าไปเอาจริงเล่นถึงเวลาเล่นให้เล่นให้เป็นถึงเวลาจริงๆงให้เป็นอ่าตรงนี้เป็นคําหลายแทงอีกแล้วทำจริจริงทำเล่นเล่นใช่มใช่ทำเล่นเแต่เอาจริงจริงจริงจแต่ทำเล่นเไม่ใช่ทําเล่นเล่นแต่เอาจริงๆ ทำเล่นๆแต่เอาจริงๆทางพูดง่ายแต่เราฟังยากฟังยากเออเดี๋ยวจะอุปมาอะไรดีทำเล่นๆเอาจริงๆเอออย่างนี้มันมีสัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยมันดุนะไม่ว่าหมาว่าวัวควายที่มันเราซื้อมาใหม่ๆนะไปใกล้มันไม่ได้นะอ่ามันจะกัดมันจะขีดเอาอ่ะทีนี้ต้องเล่นกับมันซะก่อนดิ ใช่ไห ม, ล, มลูกหม้อลูกผางหาน้ําหาข้าวหาเยอะ เ, ยเอาไม่หรืออย่าเข้าไปลู่ทันทีมก็เตะเอาดิก่อนที่จะลูม่มันต้องยื่นยายื่นน้ำมันมันกินไปนกที่อยู่เมื่อก่อนมันไปใกล้มรรดาวินพึ่งพึ่อา้าวเดี๋ยวนี้มันไม่แม้แต่มือมันยังมาเกาะเราเลยทำไงอ่าตอนแรกก็นูนหอยไอกระตาอยู่บนตนไว้เนี่เอาไอเม็ดเกล็ดต่างๆมาใส่ให้มันใช่ไหมอ้าวมันก็มาเกาะกินไกลๆอ้าวอีกหน่อยนึง ไอ้ขยับตะการเข้ามาใกล้บ้านอีกหน่อยอใส่มันทุกวันมันก็มากินใช่ไหมอ้าขยับเข้ามาใกล้บ้านเขาเข า, าก็กินมันติดแล้วต่อไปเราเดินออกไปมันก็เฉยเลยไม่ไม่บินหนีเลยจากที่มันเากาเรียก ว, ว่านี้ที่สุดกับเป็นเชื่องที่สุดใจเรากายเราก็เหมือนกันไอจ้จับจับมาปฏิบัติใหม่ๆโอ้โหขี้นนูนขี้นี้ยุ่งไปหมดใช่ไหมมันค่อยจะหนีไปเลยจากมันค่อยจะหนีไปใกล้ไม่ได้ค่อยจะคิดไปไปเรื่อยเปื่อย แล้วก็ทำานไไี้มาหยุดเราให้อาหารมาเรื่อยๆสติสมาธิปัญญาเป็นอาหารให้ฟีดมาเรื่อยๆเดียวมาใกล้เขามาใกล้เขามาเนี่ยเล่นแต่เราให้ให้ข้าวให้น้าไห้นกเลยให้เล่น ๆ, ๆนะใส่เข้าไปแค่นั้นแหละเอาเหมือนเล่นนะจ๊แต่ไอ้นกมันมาจริงหมนั่นๆไอๆเอาจริงๆอไอเด่นั้น่ตอนนี้ขามันจากทมันเนื่อยยอมก็มองมัน hmm. ตอนนี้มันเป็นเน็บไปทั้ง นอัมนกระเริ่มมันผิดปกติอะผิดปกติแล้วก็เอาท่าเคือเราที่นั่งสบายที่สุดไม่ต้องไปทั้งอะไรบา ง, งนคนนั่งเรียบร้อยนะแต่ว่ามันไม่สบายมันก็ไม่ได้น่าสบายมก็ไ ม, ไม่ไม่ถึงกับสบายพอทนได้ไ <c oughs> อ้เป็นเด็กชายมันทนไม่ได้แล้วมันเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ต้องพยายามปรับให้มันสบายนี้ อนั่นอยู่กระดินไม่เป็นอก็แต่ท่านว่าเวลาพูดที่ได้อารมณ์นั่งไปสองชั่วโมงท่านว่าไม่ใช่เพราะขาเขาจากเดิ่มเจ็บแต่เขาไม่สนใจกนั่งรายเป็นเน็บก็นั่งมันหายไปอย่างนั้นเลยใช่อ๋อไม่อันนั้นอันนั้นเป็นการสร้างวิบากให้ตัวเองทีนี้ขาถ้ามันเป็นเน็บเป็นชาเลยละครั้งมันสังสมสั่งสมไว้ความเจ็บปวดสั่งสมบาดแผลไว้พอนานเข้านานเข้ามันก็จะเป็นมาพึกงมาพาดไป นะเพราะฉะนั้นพวกที่ปฏิบัติใส่หนอที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนนั่งทีละสมชั่วโมงห้าชั่วโมงนะเป็นั่ามาพึ่งอมภาสไปก็เยอะแลยนะอาอาจารย์ธนิษประโยคอาจารย์ธนิษฐประโยคนเก้า โ, โอ้โหแกปฏิบัติยอดเยี่ยมจริงแต่พอวันท้ายแกนอนแชลอะไเป็นไออามาพึ่งอมภาสดังนั้นอันนี้ทางในวิธีการของเราเร า, เราจะไม่สูดตรงแบบนั้นเราจะพอทนได้เท่านั้นเองทอทนได้เนี่ยคือเอาร่างกายเนี่ยเราไปเอา ไอ้ธรรอะไรมันไม่ได้เพราะมีอนนี้จังทุกขังหน้าตาได้เราแปลเปลี่ยนอาการนี้จังนูกขังคู่ขังหน้าตาของมันให้เป็นสีนสันนิปัญญาได้อยู่นะเพราะฉะนั้นช่วงชาานี้พระไครว้โคนทำกาคิดว่าน่าจะเพียงพอในการที่จะนําไปใช้วันนี้นะว่ากันวันต่อ ว, วันเลยนะ ว, นวันต่อ ว, วันแต่พรุนี้ต้องยกระดับให้ลึกกว่านี้นะไม่ใช่แค่นี้นะอันนี้เห็นฉันเหรอวันนี้เอาแค่ น, น, น, นี้แต่พรกนี้เราพูดไปแล้วไม่รู้เรื่องอีกแสดงวันนี้ทำไม่ได้เรื่องเลย พอมันยกระดับที่ลึกขึ้นไปนะแต่ในเช้าเราจะมาคร่ครวนทากันพอจะจับหลักได้ไหมที่พูดมาให้ฟังนะเป็นแก่ลายแทนให้ออก๋ยวไปทำลายยอดปศาสตท์ก็แลกั น, น <c oughs> ทำลายยอดปศาสาท์ไปทรมานตัวเองไว่าเยาธรรมะทาลายยอดไปศาสตร์แล้วเอาเงาของมันคือหมายควเอาตัวรู้เท่านั้นแต่อาศัยมันเป็นหุ่นเท่านั้นเองร่างกายเนี่ย มันคนที่ยังตัดผมไม่เป็นนี่ะเขาก็ตัดให้หุนอตัดหุนก่อนอยไปตัดผมจริงมันเสียอันนี้คือมันกางอาศัยร่างกายเป็นหุนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพอปัญญาอโลมกุตระญยามันเกิดมากๆแล้วมันรู้จักเองจะาทําให้มันเหมาะเจาะทำให้มันสบายได้อย่างไรธรรมะนี่ยมันยากไม่ไม่ยากทํามันในบทที่บอกไม่แย่เลขข้อนี้มันยากก็ทํามันในบทว่าง่ายใช่ไหม เมื่อก่อนกับข้าวเราทําเป็นที่ไหนได้ใช่ไหมโอ้ทำออกมันไม่เป็นเรื่องเป็นหลักเมื่อยากก็ทําทุกวันไม่ยากได้นั่นนะกับข้าวที่มันทําเป็นทุกวันเพราะมันทำอืมใครเกิดมาแล้วทากับข้าวได้เลยเอ่ไม่ได้พูดว่าไม่ยากมันได้คนที่ยังไม่ได้ฝึกมันยากแต่คนฝึกแล้วมันไม่ยากเดียวกันธรรมะมันดูแล้วมันก็ยังต้องมาทำอันนี้มันเป็นนามธรรมเรายังไม่มีประสบการณ์แล้วก็ต้องพยายามมากกว่านั้นนะขนาด เรื่องภายนอกที่เราจะชำนาญได้อาศัยเวลานานมากๆมันจะเป็นใช่ไหมแต่นี่เรื่องภายในที่เรามองไม่ดูรู้ไม่เห็นทําไม่เป็นเนี่ยก็ต้องทำาตมมทำมามันมองเห็นธรรมะมันมองเห็นน้องเห็นมือมือมือเย็นเนี่ยรู้ระเบอบเย็นรู้รู้นั่นนั่นไอ้ตัวรู้นั่นเขามองเห็นแล้วแต่มันไม่ใช่ตานอกเป็นตาในเนี่ยเห็นไหมพิสูจนได้เห็นได้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องริ้วไหลเ้อๆนั่นแะปวคขาก็รู้แต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยคือตาใจตัวเห็นด้วยตานี่คือตานอก มองไม่เห็นคือแต่มองรู้ด้วยตาใจคือรู้อยู่อาปวดขาส่วนในปวดเนี่ยมันไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะว่าเราไม่คุ้นเรายาังมีถ้าจะว่าไปคือชั่วโมงบินมันยังน้อยแล้วก็เราทำชั่วโมงบินเยอะๆดูมันบ่อยๆแก้ไขบ่อยๆปรับปรุงบ่อยๆนะเอาละกับข้าวเสร็จแล้วนี่เห็นแม่ครัวมาบอกแล้วเนาะก็ขออุทนาแค่นี้นะลับพรเ นอนรับอิ่มวรับอิ่มทุกคนนอนอืปิดปิดจดีเลยั่ดอากาศเป็นยังไงถ้าคุณหนาววะอากาศดีเลยทีจะนีชง ที่มาหอดนี่องสักห้าทุ่มเราก็ไม่ถึงกั น, น, นสิบสิบเอ็ดโมงตีเคอคงจะลาพัแล้วก็ภูมายฟูมายจะมาอีกห้าห้าคนหนึ่งมาจากซิกาโกสามมาจากเซนติี่สอง โวกเซนิโกโปรเซนิโกะ ม, มาอีกคนสองคนนและแต่สําหรับโวกเซนิโกห้มาเมื่ออเดือนที่แล้วแต่สําหรับเทวนีสําหรับกรุ ง, งเขาอยู่ทางไก่มานะฟังภาษาไทยสา้วออกหมดสุกคนบะผู้ใดฟังบ่ออ ก, ก, กฟังออกฮะพี่ฟังออกบะนัน <laughs> no, <laughs> I need to uh, speak with you the English also. We n r e t o t o hard, too hard to to s e o the English. And h e n e e a h oh, forget h a t h a a t f o r t How many? t e percent, h do Ten percent. Oh, okay. How many? One hundred percent, e Oh, okay. So I need to uh, speak about orientation in the early morning. That g o o d came here. I came in about few days. So we need to uh, here for the first time for for you, for all of you, and uh, for the first times so, of uh, luches, meditation luches also. Have you ever joined you at a place before? No, here for the first time. Mm. Mm. And English also? How many percent? e s Yeah, one hundred percent. Yeah, one hundred percent. Okay, I think t h e n percent. <laughs> <it> confuse me. <laughs> okay, uh, here it's for the new place for us. For me also, because last year the n e man who is the owner of this property uh, came to join with our technique movement meditation we offer here, and also I have this experience more twenty years, and also I have more experience about that about. Moving meditation, or at a name we call dynamic meditation. Why we call it as? Actually, meditation. If you about silent meditation, have you been that before? Never, nah. No? Yeah, you yeah, you also have the new p r a c t i c i n no? e r So in the beginning of this practice, it's not it's not difficult. It's not complicated. Really easy to practice. Mm, but before I even talk about that, i w e l e n uh, introduce you about this place a little bit mm, because mm, Adinanda who is the owner of this place, she came to appreciate with the practice before she observe about the silent meditation before more twenty years, but it's not exactly work. Uh, so it's been, it means that technique it is work for for her, but it's not one hundred percent. After she observe about that technique, such a technique also use of breathing in and o u t system, as you know before. Every form of meditation practice u s e d about silent meditation. อันนี้ภาษาอังกฤษวันห้าเปอร์เซ็นต์อเปาวันหนึ่งอร์เซ็นต์ฟิฟตี้ฟิโอเค and work and also and every Buddhist uh, also practice about silent meditation before like uh, sitting cross leg อ่อข้าวแห้งและสังเกตนั่งหางันทีมกว้านั่งหางกับขยับข้อทงนี้ทั้งนี้บางก็ดเอนี่ขยับขึ้นมาเออขยับหางท้งนี้บางคนทั้งนี้คุณก็ได้เนี่ยไอ้นูขยับโยมขยับหางกันอันนี้ก็คุ้นลามากเลยนะตีอีกูตี ออพ่อต้องใส่ภาษาคิดมันดิพว่าสอ ง, นะงคนฟังภาษาไทายภาะาเราเลยนั่นเอ่ยผู้ที่สามทที่แม่มดนี่หอู่าเออมดนีแม่แม่เดียวกันดิน อ, อ๋อลูกสาวดิอ๋อดีแต่ว่าสามนี่เป็นที่น้องกันโอ้พี่นองลูกห ล, ล, ลานน่าจะเนอะี่หลาลูกหลานหลพ่อน <c oughs> So, other we and also I have done a f i l d before about uh, silent meditation, and also I observe such a practice, such a technique, many years, but it's not work exactly because uh, silent meditation we have many condition. Really limit about how, about physical limits. Like uh, you need to sit and cross leg and keep quiet, close eye, observe breathing in and out. Actually, breathe. The breath also work automatically. Even though we have uh, attend to attend to know, uh, even though we w uh, e aware of that or not, doesn't matter. The b r a t n still work by automatically. So, if our energy of mindfulness or energy of self awareness not strong enough, maybe we cannot mm. use such a breathing in and out as a meditation object. And also, our emotion and our thought moment really, really strong, really high frequency. But if the energy of mindfulness or sound is strong enough, so we cannot catch up the the thought that comes in and uh, come in and create many picture really quickly. So such a thought moment come to disturb our mental state all the time. Because when we observe meditation, we need to get a l e result of the practice. That is how to calm and quiet the mind. If we cannot cut off the chain of thought, moment, the chain of thinking, how can the mind become calm, still, thoughtful? So, okay, some someone who have strong energy, but well, energy of mindfulness strong enough, maybe they can use that technique as work. Because the the strength of mindfulness and s m e l f is strong enough, so they can suppress the thought moment completely. For us, that's the work. Because we are uh, untrained people before; we are never trained about that before. And also, in our ancestor. Never trained about that before, so we know we have not any h e a r e d about that before. So after that, our master Long Potian Jitsupo. I think you have heard before. Have you heard about this name before, Long Potian? Our master, why you didn't hear her about that? Uh, before or some of you came here. Uh, your uh, your ma your mother also your sister also been interview about that some okay so p o t a n t i t is for is our great master he the isan monk or lao monk before and also I, I practiced that technique under him for many years and also I quit about breathing in and our system. Completely use the hand movement because we use the hand movement as a meditation object instead breathing in and out. Because breathe in and out or exhale, inhale as a really subtle, really soft. When we breathe in and be aware of breathe in and out for 10 minutes or 15 minutes, such a Energy of awareness become weak because we cannot maintain the strength of uh, awakened mind and also the breathing y n become when the mind become calm and calm and quiet our <coughs> breathing <coughs> in and also becomes soft and subtle really hard to be aware of that it's not sustainable. So we don't need only calmness of the mind. We don't need only tranquility of the mind. But we need to awaken mind. We need to awaken. You understand what's the name for this? Yeah. You understand what I say? No? Yeah. Understand what I s a I try to. I try to make sense about that. After that, I share my technique of the practice. And follow the technique for for one week or two week or so. It's work for me because uh, that <coughs> we we try to repeat o u t hand movement like it all the time for what for for create the energy of mindfulness. Actually, in daily life, we think of something outside. We send our mind outside. Our mind p l y our outside o u t e eye, create many thought moment. w h a t we didn't know because we still don't have the inner eye or inside eye. When we come to practice the technique, we come to create the inner eye or wisdom eye. Why this practice can create the inner eye? Because this technique can create the energy of mindfulness, the energy of m e d i t a t i o c and create the energy of wisdom. u h clear the wisdom also can clear the i n s i d e t eye. We can see our body first. So the beginner, we introduce to uh, move the hand like it. I think your mother introduced you before. No? Can you practice it? Can you yeah, show me please? Is the correct uh, system or not? Ani t h a m w a m g y a n ในต้องทำด้ยยังไม่เคยทำเลยใช่ไหมอ๋ออย่างแล้วเคยทำมาหรือยังอ <laughs> oh, yeah. yeah, ๋อเพิ่งเริ่มใหม่ๆเลยนี่เนาะโอเคให้วินช่ายโอเคใหวินโชว์ยูเฟส